ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเนาะขออนุโมทนากับพวกเรา ท, ทุกท่านนะที่ได้มาช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันพัฒนานะที่อาสมวิริยธรรมแห่งนี้นะก็เป็นเป็นจิตใจที่ที่ดีงามนะของพวกเราที่เห็นว่านะ มีงานที่จะเป็นประโยชน์นะหรืองานที่มีคุณค่านะเราก็เสียสละเวลาเสสละนะแรงกายแรงใจนะของเรามาช่วยกันพัฒนานะสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพืนะ่อรองรับนะผู้ที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนะอันนี้ก็มันก็จะเกิดประโยชน์นะในทางธรรมนะ ที่สูงขึ้นไปเนาะหรือถ้าพวกท่านมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะก็ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมันเหมือนนจิตใจที่ดีงามตรงนี้แหละมันเหมือนจิตใจที่มันจะยกระดับนะให้จิตใจของเรามันท้นจากกิเลส ข, ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเหมือนสมัยนานมาแล้วน ะ, นะ มีมีดาบทรูปหนึ่งนะชื่อสุมเมธาดาบทนะท่านอยู่ป่านะบางเพนเพียนนะแต่พอท่านได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้านะพระทีพังกรพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จผ่านมาทางนั้นนะมีชาวบ้านนะเตรียมถนนหนทางเตรียมการต้อนรับนะพระพุทธเจ้านะ คือเมธาดาวบทได้ทราบข่าวอย่างนั้นกนะ็มีความรู้สึกว่าได้ยินคาว่าพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธามากนะออกมาจากป่ามาช่วยชาวบ้านนะเตรียมถนนหนทางนะเพื่อรองรับนะพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็สาวกนะที่จะเสด็จผ่านทางนั้นแต่เตรียมการอย่างไรมันก็ไม่ทันท่วงทีนะ จนพระพุทธเจ้าท่านสเสด็จมาพร้อมกับสาวกแล้วนะถนนยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังมีบางที่ที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อยังเป็ น, เ, นเป็นโคลนยเนยอะเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จมาสุเมทาดาบดเห็นว่าไม่ทันการแล้วก็เอาตัวเองนั่นแหละทอดลงไปที่พื้ น, นที่พื้นที่เปื้อนด้วยโคลนตมนะ พ่อตัเองไปแทนถนนนะเพื่อให้พระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกเสด็จผ่านไปได้นะพระพุทธเจ้าเองนะเมื่อเห็นสุเมธะดาบททาเช่นนั้นนะก็เนี่ยแหละด้วยยานที่ท่านรู้นะว่าดาบทผู้นี้เนะมีจิตปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะแล้วก็นะ เห็นว่าดาวบทพู้นี้นมีความตั้งใจจริงแล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จริงๆนะก็มีการพยากรนี่แหละว่าสุเมธะดาบทในอดีตนั่นแหละ ค, คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันของพวกเราเนี่ยแหละคือจ ะ, สะเสด็จออกมาประสูตรเป็นเจ้าชายศิทติธะแล้วก็ตัดสูุ เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโคตมะโคดมนะสั ม, มาสัมพุทธเจ้านะก็เนื่องจากอะไรจิตที่แม้ท่านจะใยความสงบนะออกไปเป็นดาวบทบำเพ็ญความเพียรนะแต่เมื่อได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมานะก็เกิดศรัทธานะเกิดศรัทธามาช่วยงานช่วยการนะ แล้วก็อุทิศตนสระได้ไม่แต่ไม่แต่ตัวเองเนาะไม่ใช่สระเพียงแค่เวลาหรือว่ากําลังกายนะแต่สุเมธาดาบดนีท่านสระไม่แต่ตัวเองนะทอดลงไปนะให้พระพุทธเจ้าเดินให้สาวกท่านเดินข้ามได้ไม่คิดว่าตัเองจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นบารมีที่ที่ยิ่งใหญ่เนาะนะนะ ของสุเมธาดาบทนะแต่ท่านก็บำเพ็ญบา ร, รมีต่ออีกนะสี่อสมไข่แสนมหากรัปนะกว่าจะบรรลนะุสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีอีกเยอะมากนะแต่พวกเราเองก็อยู่ในเรียกว่าเป็นสาวกภูมิเนาะเป็นภูมิที่นะ เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นก็คือสุมเมธะดาวบทในอดีตนั่นแหละนะที่ท่านก็เสียสละนะจนทั้งแม้แต่ชาติสุดท้ายก่อนไม่ถึงชาติก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนาะพวกเราก็คงได้ยินลนะได้ยินได้ฟังกันแล้วนะพระเวสสันดร น, นะ เป็นพระโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์พระเวสสันดรเรื่องราวพระเวสสันดรก็มีสีสันเยอะแยะเนาะโดยเฉพาะทางอีสานบ้านเราก็เอามาเทศเป็นพระเวสสันดรชาดกเนะสียสละทรัพย์สินเงินทองด้าวจ้สมบัตนะิออกไปอยู่ป่าชูชกก็ขอนะ ขอลูกนะกันหาชาลีเอาไปเลี้ยงเอาไปใช้นะขอเมีเนะะมีไฟ อ, อินเห่นะมาทดสอบจะขอเมียก็ให้แต่ประมาณนั้นเสียสละทุกอย่างนะเนะ่เสียสละที่จริงท่านก็ไม่ได้เสียสละแค่สิ่งภายนอกหรอกถ้าใครจะมาเอาอะไรกับร่างกายของท่านนะท่านก็ยินดีเสียสละเหมือนกันนะ ถ้าเรามองไปแบบนั้นบางทีเอ้การเสียสละแบบนั้นทําให้คนอื่นเหนือดร้อนหรือเปล่าทําให้ลูกทําให้เมียเหนื่อย ด, ดอนไหมหรือว่าทําให้ช่ชกได้ใจหรือเปล่า เ, เสียสละแบบนั้นมันมันดีเหรอแต่จริงจิงมันอาจจะเป็นบุคคาทิฏฐานก็ได้นะเอเป็นธรรมมาทิฏฐานก็คือเป็นการเปรียบเทียบโดยธรรม โดยที่เรียกว่าจิตใจที่มันไม่ยึดติดไม่ถือมั่นเนาะบางคนเขาก็ใช้คำว่าอายึดแต่อย่ามั่นนก็คือมีความมีหลักการมีความยึดยึดมั่นในหลักการที่ควรทําเช่นท่านยึดในหลักการที่จะเป็นผู้ที่เสียสละนะ แต่ท่านไม่ถือมั่นในในความเป็นตัวตนที่ได้เสียสละนั้นนั้นนะท่านทำไปเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะแต่อย่างพระเวสสนาลอาจจะเป็นเปรียบเทียบเหมือนคล้ายว่าบางทีห่วงที่ผูกรัดให้คนเราทุกข์เนาะก็เนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนั่นนะก็ทำให้ คนทั้งหลายติดอยู่กับโลกเนาะหาเงินหาทองหาชื่อเสียงเกียรติยศหาราบสการะสันตเสริญยนยอเนะี่ยก็ทำให้คนติดกับโลกโไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะห่วงต่อมาอีกก็ห่วงปลกคอคือลูกคือหลานคือเมียคือผัวคือญาติพี่น้องเนาะ มันก็เป็นห่วงที่ที่เราก็มีมาตั้งแต่เกิดเนาะเราเกิดมาเราก็มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติพี่น้องเนะี่ยมีมาตั้งแต่เกิดนะนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนตอนนั้นตั้งแต่เราเกิดมาจนทั้งถึงตอนนีนะ้แต่เราจะเกี่ยวข้องอย่างไรโดยที่ใจเราไม่ทุกใจเนาะเราทำหน้าที่เนะี่ย เราเป็นพ่อเราเป็นลูกเราเป็นใครเราก็ทําหน้าที่แต่เมื่อเมื่อเมื่อเราจากไปหรือว่าเขาจากไปเรารู้เท่าทันไม่เสียใจนะหรือว่าเสียใจแต่ไม่ทุกข์ใจได้ไหมนะรู้ว่าเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่ต้องเกิดการพัดพาพสูญเสียนะ ไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นของรักนะมันก็ต้องจากไปวันยังค่ำนะอันนี้พระเวสสันนนทก็อาจจะสอนเรานะว่าที่จริงความยึดมั่นถือมั่นเนะี่ยในลูกในเมียในคนรักในของรักเนี่ยแหละนะมันเป็นทุกข์นะการสะระจริงจริงเนี่ยคือเราต้องสระรดความยึดมั่นถือมั่นตรง น, นี้แหละนะอาจจะไม่ได้ว่าให้ทานแบบนั้นก็ได้นะ แต่เราบางทีเราก็ต้องเสียสละให้เขาเป็นตัวของเขาเองนะเรามีบงคนอาจจะมีลูกนะบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องมีคนรักแต่บางทีเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะเขาเลือกที่จะเรียนแบบนี้เขาเลือกที่จะทํางานแบบนีนะ้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เนาะมันก็เป็นการที่เราเคารพเนาะนะ พวกเราเองก็ก็คงมอนเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันตอนที่เราออกบวชนะหรือว่าเราบวชแล้วอยู่นานนะผมว่าญาติพี่น้องพวกเราหลายคนก็อาจจะบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะทำไมต้องบวชทาไมต้องบวชนานด้วยนะนะบางคนอาจจะมีแฟนบางคนอาจจะมีนะภรรยา มีรูปคนนะโอ้มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากพอสมควรเนาะที่จะสลระสิ่งนั้นนะแต่พอเราได้บวชเราได้ทำแบบนั้นแล้วนะคนเหล่านั้นเนะี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะเสียใจนะแต่เขาก็อนุโมทนานะใช่ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ แต่ผมเองก็มีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันนะก็คือแม้จะมีคนเสียใจจากการที่ที่เราบวชนะ่ะแต่เขาก็อนุโมทนานะที่เราได้เลือกในทางในทางนี้นะมันก็แม้แต่พ่อแม่เองก็เหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องบวชทําไมเราไม่ไปทํางานไปมีครอบครัวเหมือนคนทั่วไปนะ แต่ถ้าเรานะมั่นคงเนาะมั่นคงในการตัดสินใจของเราว่าสิ่งที่เราเลือกเดินเนี่ยแหละนะเราไม่ได้เลือกไปทางอบายยมุกนะ่ะไม่ได้เลือกไปทางที่ผิดเราเลือกเดินในทางที่ดีงามแล้วนะก็ขอให้เรามั่นคงเถอะว่าแม้อาจจะยังมีคนไม่เข้าใจอีกเยอะนะแต่ถ้าเราชัดเจนกับสิ่งที่เราทำํำนะ แล้วก็ทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสนะเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะค่อยๆเข้าใจมาไม่ใช่แต่เราหรอกนะต้องแม้แต่พวกพุทธเจ้าเองนะพระเจ้าสุดโทธนะท่านยังไม่เข้าใจเลยนะเห็นับภาษาอะไรนะทำไมต้องสระราชสมบัติด้วยแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะ ท่านก็ยังพระเจ้าสุดทอนะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างไรนะมีคุณพิเศษอย่างไรนะจนกว่าท่านเข้าใจธรรมะจริงๆนี่แหละถ้าถึงจะเกิดความทราบซึ้งว่าโอ้ที่ลูกชายสเสด็จออกบวชนะได้ตัดสู้ธรรมนี่มันมีคุณจริงๆเนาะเพราะมันจะเห็นว่าธรรมะมันมีคุณค่าที่สุดนะออนะ มันมากกว่าเงินทองสิ่งของต่างๆนะเงินทองสิ่งของเครื่องใช้เราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้นะลูกเมียญาติพี่น้องเองบางทีเราไม่ทันตายนี่เขาก็ไปจากเราก่อนนะทิ้งไปหรือว่าตายจากไปหรือบางทีเราก็ตายจากเขาไปก่อนนะก็เอาไปไม่ได้นะก็ไม่สามารถจะอยู่กัน จะเรียกว่าอยู่กันตากชั่วชีวิตหาไม่ก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะไม่เราจากไปก่อนก็เขาจากไปก่อนนะมันก็เป็นธรรมชาตินะแต่บุญกุศลนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ที่ตามเราไปได้นะแม้จะตายไปนะแต่ถ้าบุญกุศลที่เราทํำนี่แหละมันก็จะติดตัวจิตใจของเราไปบุญคืออะไรนี่แหละ เราเห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มีคุณค่าแล้วเราได้เสียสล ะ, ะเวลาเสียสละแรงกายแรงใจเราทํำนั่นแหละอันนี้เรียกชื่อว่าบุญนะเชื่อว่าบุ ญ, นะบญเหมือนเราทํางานเสียสละแรงกายนแรงใจของเราเนี่ยก็ชื่อว่าเราได้ทําบุญนะเพราะว่าเราได้ข่าวว่าเออสิ่งนี้มันจะถ้าเราได้ทําแล้วมันจะเกิดการพัฒนา จะเกิดความดีงาน ม, มากขึ้นเราได้ทาออกไปเนี่ยเรียกว่าเราได้ทำบุญนะนะเพราะอะไรเพราะเราละความเห็นแก่ตัวนะเรามีความขยันนะเรามีความสุขในการได้ทำความดีเนะี่ยชื่อว่าบุญแล้วนะบุญพวกนี้ไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทองก็ได้นะแต่เราใช้แรงกายแรงใจของเราเนี่ยทำบุญนะ จะทำที่นี่ก็ได้ทำที่ไหนก็ได้นะเชื่อว่าเราได้ทำบุญทั้งนั้นเลยนะเพราะทำแล้วเป็นไงทำแล้วจิตใจมันดีนะจิตใจมันมีความสุข น, ะนอนก็หลับกินก็อิ่มใช่ไหมอย่างเราทำงานเนี่ยโอ้เหนื่อยเหนื่อยเพียเพียหลับง่ายเนาะหัวถึงนอนสักพักก็หลับแล้วนยะถึงเวลาฉันเช้าฉันเพลนก็ ทานแทบนะเพรมันหิวพอทํางานมันเหนื่อยเนี่ยพอเราทําบุญใช่ไหมกินก็อิ่มนอนก็หลับใจก็มีความสุขนะแต่ถ้าเราทําบาปเนี่ยโอ้นอนก็ไม่หลับนะใช่ไหมก็คิดคิดถึงบาปถึงกรรมที่ได้ทํำนะก็อนอนไม่หลับกินข้าวก็ไม่แทบนะกินไปก็คิดไ ป, ไปกลัวไปกังวลไปนะ ใจก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่แหละคือบาปใช่ไหมเนี่ยบุญกับบาปเนี่ยก็คือการกระทำของเราเน่แหละนะเราทำดีเนี่ยมันก็ใจก็มีความสุขเป็นบุญแล้วเราทำไม่ดีใจก็เป็นทุกข์เนี่ก็เป็นบาปแล้วเนะี่ยนี่แหละบุญบาปนะเราทำได้เราสร้างได้เราเลือกได้น ะ, นะวันนี้นะช่วงนี้เราก็เลือกที่จะสร้างบุญนะ นะแต่อนาคตเองเราก็ต้องป้องกันระวังนะอย่าเลือกสร้างบาปนะนะเพราะว่าถ้าทำบาปแล้วจิตใจก็ทุกข์นะแต่ทำบุญแล้วละบาปแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องทำด้วยความสละตัวตนด้วยนะนะเรียกว่าเป็นการภาวนาไปด้วยนะทำแล้วไม่ต้องไปคิดไปติดใจว่า อันนี้คือผลงานของเราอันนี้คือของของเราน่ะอันนี้คือแม้แต่ทิฏฐิมานะที่เราไปยึดติดในการกระทำนั้นๆเราก็ต้องสละไปด้วยนะพอไม่งั้นมันจะกลายเป็นบุญตอนนั้นมันจะกลายเป็นกองทุกข์ได้นะถ้าถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่ น, นอย่างบางทีเราทำงานน่ะ ทำงานด้วยกันหรือทำงานกันแค่สองคนไปต้นไฟเนะี่ยบางทีความคิดความเห็นแตกต่างกันนะอาจจะแรกเปลี่ยนความคิดกันได้นะแต่บางทีถ้าเราไม่รู้เท่าทันบางทีก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจกันเวลามีความเห็นที่แตกต่างหรือเวลาเราทำงานเสร็จแล้วนะมีคนมาวิจาร์มีคนมาวิพากมีคนมาตาหนิ งานที่เราทำนะบางทีเราก็จะเผลอเอาตัวตนของเราไปเป็นไปอยู่ในงานนั้นนะเขาตำหนิงานก็เหมือนตำหนิเราอนะมรนียเขาชี้ข้อบอกพร่องของงานก็เหมือนชี้เพราะข้อบอกพร่องของเรากลายเป็นแบบนั้นเสียนะอันนั้นเรียกว่าเรายังมีตัวตนอยู่ในงานนั้นอยูนะ่เนาะถ้าเราจะทำงานด้วยการภาวนาจริงๆเนะี่ย ทำไปเสร็จก็ก็วางนะสักถ้าเขาจะตําหนิงานก็ให้มองเป็นแค่ตําหนิงา น, นถ้าเขาจะเห็นชี้ข้อบกพร่องก็เป็นเรื่องของงานเราก็น้อมรับฟังเพื่อเอามาปรับปรุงงานใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเห็นว่าโอ้เ ป, เป็นแผลในใจของเราลสั ะ, ะเรามองในแง่เป็นประโยชน์นะเหมือน พระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ที่ชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดนั่นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์นผู้ที่มีปัญญาก็จะมองแบบนี้นะเออเวลามีคนชี้โทษไม่ว่าจะเป็นงานที่บกพร่องก็ดีหรือว่าชี้ข้อบกพร่องในนิสัยในตัวตนของเราเองก็ดีมีผู้ชี้โทษแล้วชี้โทษอีกมีผู้บอกแล้วบอกอีกไม่มีหยุดเนี่ยเขาชี้ขุมทรัพย์นชี้ขุมทรัพย์ ในการปรับปรุงงานชี้คุมมรัพย์ในการปรับปรุงนิสัยจิตใจเนี่ยนี่คือผู้ที่ชี้คุมทรัพบเนาะถ้าเรามองให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นการทำงานไปด้วยภาวนาไปด้วยนะภาวนาคืออะไรเนี่ยรักตัวตนรักความยึดมั่นถือมั่นนะรัทิฏฐิมานักอุปทานต่างๆเนี่ยแหละเราต้องทำแบบนี้นะ สติปัญญามันจะมาช่วยเวลาเราทํางานอะไรก็ดีหรือแม้แต่เราภาวนาในรูปแบบก็ดีนะบางทีมันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจหรือเกิดอารมณ์ขึ้นมานะ่ะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลน่นะมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะครูบาอาจารย์ก็จะสอนรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ทิ้งนะ่ะ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วก็ต้องทิ้งนะบางทีปฏิบัติทำไปมีความปิติมีความสุขใจหรือมีความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายบ า, บางคนก็หลงไปนะหลงไปก็ไปหลงเป็นนิมิตก็มีหรือบางทีก็หลงเป็นวิปัสนานะวิปลาสไปเลยก็มีนะอันเนี้ก็ต้องระวังนะ แต่ถ้าเราทำด้วยความเสียสละทำด้วยการปล่อยวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่กุศลที่มันเกิดขึ้นเราก็วางนะก็รู้นะรู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันมีจริงแต่ก็วางมันหลวงพ่อจะบอกว่าอย่างบางอย่างมันมีนะแต่มันไม่จริงนะมันเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงนะอย่างเช่นนิมิตนะ มันเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงอารมณ์ก็เหมือนกันนะบางทีเราก็จะมองแบบนั้นนะเวลามันเกิดความคิดเกิดความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงลองมองแบบนี้นะอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันดับนั่นแหละมันไม่ใช่ของจริงเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศล มันเกิดขึ้นจริงของมันนั่นแหละนะเกิดขึ้นในตอนนี้นั่นแหละแต่พอสติรู้ทันมันก็ดับไปนะมันไม่ใช่ของจริงตรงนี้แหละคําว่าไม่ใช่ของจริงคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเรานะเหมือนร่างกายเนี่ยมันก็มีจริงแต่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเรามันพูดแบบนี้นะมันเรียกภาษาสมมุติว่าร่างกายเราน่ะแต่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆริงนะนะ มันเป็นเพียงแค่ท่าเป็นเพียงแค่ขันนะมาประกอบกันเท่านั้นนะนี่แหละคือผู้ที่มีปัญญาจะเห็นนะจะเห็นว่าสิ่งที่มันมีนะมันก็มีแต่มันไม่จริงนะมันมีโดยสมมตุตนะิแต่วิมุติจริงๆคือมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรเลยนะมันเป็นเพียงแค่การประกอบกันนะการตั้งอยูนะ่แล้วก็ดับไปนะ ของสิ่งต่างๆเท่านั้นอันนี้แหละคือสิ่งสําคัญมากๆเนอะนะในการที่เราได้ได้มีโอกาสบวชหรือการที่เราได้มีโอกาสมาอยูว่วัดนะสิ่งที่มีค่าที่สุดที่สุเมธาดาบทในอดีตการนู่นนะท่านตั้งใจก็คือการที่เป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็เนี่ยแหละ 2 6 0พันหกร้อยกว่าปีนั่นแหละนะที่ท่านได้ประสูดนะแลวก็ท่านก็ได้มาสอนธรรมะตรงนี้ฝากพวกเราไว้นะก็คือเนี่ยแหละการเห็นความจริงนะอย่างแจ่มแจ้งในสังขารก็คือรู้ความจริงของร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะนะเราทำการทำงานก็ดีนะ หรือเราจะภาวนาในรูปแบบก็ดีเนาะให้เราระลึกถึงตรงนี้แหละนะเราทําความดีเราทําบุญเราละบาปเราไม่ทําสิ่งที่เป็นอกุศล น, นะแต่เราก็ต้องทําสิ่งหนึ่งก็คือการชำระจิตให้ขาวรอบนะโดยการละความยึดมั่นถือมั่นนะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ ให้มองมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนะเป็นผู้ดูเมื่อเป็นผู้ดูแล้วความคิดหรืออรรารมณ์พวกนั้นมันก็จะไม่มันก็จะไม่เข้ามาสู่นะสู่จิตใจนะมันเป็นเพียงแค่การตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ดับไปนะแล้วก็มองแบบนี้นนะการทำงานก็จะเป็นการภาวนานะเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยนะก็จะได้ประโยชน์นะ ประโยชน์ทั้งตัวเราเองก็คือการได้ทำบุญการได้พัฒนาจิตใจให้เข้าสู่ความสงบสู่ความสุขที่แท้จริงก็คือความไม่ทุกข์นะแล้วก็ได้ประโยชน์นะในการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าในการพัฒนาสถานที่เตรียมความพร้อมให้คนอื่นเขาได้มาใช้นะใช้ในการทำความดีใช้ในการเจริญภาวนานะ แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์นะในอนาคตไปด้วยนะเราทำวันนี้นะสิ่งที่เราทำก็อาจจะอยู่อีกอหลายสิบหลายร้อยปีก็ได้นะเพื่อให้ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนะแม้เราจะอยู่หรือไม่อยู่นะแต่สิ่งที่เราได้ทำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกไว้แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่มีคุณค่านะที่ชีวิตพวกเราได้มาเดินทางเส้นนี้แล้วก็ ได้มาทำสิ่งนี้ก็เรียกว่ามีคุณค่ามากแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านเนาะได้ตั้งใจทำสิ่งนี้ต่อไปราบช่วยชีวิตเราจะหาไม่นะิง mm hmm. กระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะก็อนัโมทนากับทุกท่านด้วย